พระบัญญัติ594ก็ภิกษุใดททำการซื้อขายมีประการต่างๆต้องอบัตนิสกิยปาจิตติเรื่องพระอุปนันะสักยบุตรจบ